จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราชส5งเป็นวันที่ท่านทาั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อการทำบุญ เพื่อมาสร้างบารให้แก่ตนเองเพราะมีความศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญบารมีนี้เป็นที่พึ่งของพวกเราถ้ามีบุญมากมีบารมีมากก็จะมีที่พึ่งมากถ้ามีบุญน้อยบารมีน้อย ก็จะมีที่พึ่งน้อยผู้ที่มีที่พึ่งน้อยย่อมมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยผู้ที่มีบุญบารมีมากย่อมมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากเราจึงต้องหมั่นมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมีกันเพราะถ้าเราตายไปแล้วเราจะ ไม่สามารถสร้างบุญบา ร, รมีได้จนกว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะพบอื่นชาติอื่นนี้ไม่ใช่เป็นที่สร้างบุญบา ร, รมีแต่เป็นที่ไปรับผลบุญผลกรรมที่เราทำไว้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์กันถ้าเราทำบุญมาก ตายไปเราก็ไปรับผลบุญแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเราทำบาปมากตายไปเราก็ต้องไปใช้บาปก่อนแล้วค่อยกลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วนเวียนกับการไปเกิดในที่สูงในที่ต่ำ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเมื่อพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ได้ทำให้เราไม่ต้องไปรับผลบุญผลกรรมที่เรา ได้เคยทำเอาไว้ในอดีตได้ ม, มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่รู้จักฐานนี้ศาสนาอื่นนั้นไม่รู้จักฐานนี้ศาสนาอื่นรู้เพียงสวรรค์รู้นรกแต่ไม่รู้พระนิพพานพระนิพพานนี้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ชั้นนิพพานนี้ไม่มีวันเสือ่อม ไม่มีวันหมดจึงไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ส่วนสวรรค์ชั้นอื่นที่เป็นผล ท, ที่เกิดจากการทําบุญรักษาศีลหรือนั่งสมาธินี้เป็นสวรรค์ที่มีความเสือ่อมและต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างกรรมและรับผลบุญผลกรรมใหม่ไปเรื่อยๆ ผู้ที่จะรู้จักสวรรค์ชั้นพระนิพพานนี้ก็มีพระพระโพธิสัตว์ที่ได้บำพุนเป็นมารมีมาอย่างโชคโชนนับไม่ถ้วนเช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตัดสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญ บุญบารมีต่างๆในแต่ละภพในแต่ละชาติมาเป็นเวลาอันยาวนานจนบุญบารมีแ ก, ก่กล้าคบตามความจำเป็นของการตัดสู้ก็ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ <c oughs> ในชาติสุดท้ายในชาติที่ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แล้วได้ออกทรงปผนวดในอายุ29ภพรรษาและได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในพรรษาอายุพรรษาที่35หลังจากนั้นแล้วพระไทยของพระพุทธเจ้าก็หมดเชื้อของภพชาตยจะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ ได้ทรงระสลีละของพระ อ, องค์แล้วเราก็เรียกว่าทรงสเสด็จบรลนิพพานคำว่าเสด็จปรลนิพพ า, า, า, านนี้เป็นสรรพนามที่เราใช้แทนคำ ว, ว่าตายของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเนื่องจากว่าหลังจากที่ท่านละสังขารสรลีละไปแล้ว ท่านจะไม่กลับมาเกิดใหม่จะไม่มีสังขาสรสัิระใหม่อีกต่อไปจิตของท่านจะอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานแต่เราไม่เรียกว่าเป็นสวรรค์เราเรียกว่านิพพานแต่ความจริงเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเพราะเป็นความสุขที่สูงสุดรสวรรค์ชั้นต่างๆก็มีความสุขเหลื่อมล้ำต่างกัน สวรรค์ชั้นต่ำก็มีความสุขน้อยกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นสูงแต่สวรรค์ชั้นสูงนี้ก็ยังมีน้อยกว่าสวรรค์ชั้นพระนิพพานดังนั้นการที่ผู้คนที่ได้ไปบรรลุถึงสวรรค์ชั้นนิพพานนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปไหนการไม่ได้กลับมาเกิดใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปไหน หมายความว่าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่างกับผู้ที่ยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานถึงแม้จะได้ถึงขั้น ส, นสวรรค์ชั้นพรมก็ยังต้องกลับมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองพระองค์ที่พระพุทธเจ้า ในสมัยที่ยังไม่ได้ตัดสรู้ได้ไปทรงศึกษาพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ท่านก็สามารถบำเพ็ญบุญได้ถึงขั้นสวรรค์ชั้นพรหมและตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ใหม่ๆและมีความปรารถนาที่จะแบ่งความรู้อันวิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่นก็ทรงนําลึกถึงพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ พราทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่พร้อมด้วยบุญบา ร, รมีที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นพนิพพานได้แต่โอกาสไม่ดีเพราะพระองค์พระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ท่านได้มรณาภาพไปก่อนจึงไม่สามารถที่จะสั่งสอนท่านได้เนื่องจากท่านไปอยู่ในสวรรค์ชั้นผม สวรรค์ชั้นปรงนี้จะไม่รับไม่รับไม่ติดต่ออะไรกับใครไม่เหมือนสวรรค์ชั้นเทพที่พระพุทธมารดาได้ได้ไปสถิตยอยู่สวรรค์ชั้นเทพนี้พระพุทธเจ้าสามารถส่งเวงญานส่งไปติดต่อไปอบรมสั่งสอนไดน้จนทำให้พระพุทธมารดาที่เป็นเทพนั้นได้บรรลุพระอริยบุคคล ขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปมีพบชาติของมนุษย์ไม่เกิน เ, เจ็ดเจ็ชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติบรรลุจนถึงขั้นพระนิพพานได้ส่วนผู้ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นเหมือนผู้ที่เข้าสมาธิผู้ที่อยู่ในสมาธิที่สงบ เต็มที่ตั้งแต่ชามสี่ขึ้นไปนี้จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆหรือบุคคลต่างๆกระแสจิตต่างๆนั้นตอนนั้นจะไม่รับรู้เหมือนเราสมัยนี้เราเปิดเครื่องรับโทรศัพท์มือถือไม่สามารถที่จะรับรู้ใครได้ใครจะติดต่อมาโทรมาก็จะไม่รู้ว่าเขาได้โทรมา จนกว่าจะเปิดมือถือพวกที่อยู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็จะไม่รับรู้เรื่องของผู้อื่นจนกว่าจะเลื่อนลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพถึงจะรับรู้เรื่องของผู้อื่นได้ติดต่อกับผู้อื่นได้นี่ก็เป็นเรื่องของจิต ที่จะเป็นไปตามเหตุคือการกระทำของเราในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราบำเพ็ญบุญบรารมีตั้งแต่ทานบรารมีรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิทำจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเราก็จะขึ้นไปสู่ขั้นสวรรค์ชั้นพลแต่เราจะไม่สามารถขึ้นไปสู่ ส, สวรรค์ชั้น นิพพานได้ถ้าเราไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเกี่ยวกับพระอริยสัจสี่ที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีความสุขไม่ใช่เป็นความสุขอย่างที่พวกเราหลงคิดกันพวกเราจะคิดว่าถ้าเรามีลาบยศสาระเสริญ มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะมีความสุขมากแต่เราไม่รู้ว่าราบยศสรรเสริญละสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจงคือไม่เที่ยงมีการเจริญและมีการเสื่อมเวลาที่มีการเจริญเราก็มีความสุขกันเวลาที่เราได้เงินได้ทองเพิ่มมากขึ้น ได้เรื่องตำแหน่งสูงขึ้นได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับความสุขจากการได้ดูได้ฟังสิ่งต่างๆที่เราอยากจะดูอยากจะฟังเราก็มีความสุขกันแต่ในเวลาที่เราไม่สามารถที่จะได้ดูหรือฟังในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะฟังเราก็จะเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงา เกิดความ ว, าว้าเหวเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราต้องสูญเสียข้าวของเงินทองเสียตำแหน่งเวลาที่เราถูกคนอื่นคลรหานินทาว่ากล่าวติเตียนเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันนั่นเองพวกเราจึงต้องคุบมครีอยู่กับความทุก ไปอยู่เรื่อยๆเรยพราะเราหลงไปติดกับของราบยศสารเสริอสุขเหมือนกับปลาที่ไปติดเบ็ดเพราะไปหลงติดอยู่กับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดไปคากกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแต่ไม่รู้ว่ามีเบ็ดอยู่ซ่อนอยู่ใต้เหยื่อนั้นพอคุกเหยื่อเข้าไปก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวไว้ที่คอ พวกเราก็เป็นเหมือนปลาที่ไปตะคุ้มวิเยร์คือลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตาบใดเรายังมีความายินดีมีความ <c oughs> ต้องการในลาบยศสรรเสริญสุขอยู่เราก็จะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมลาบยศสรรเสริญสุขนี้เองและจะเป็นอย่างนี้ไปทุกภพกทุกชาติ เพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปพอตายไปแล้วหลังจากที่ไปใช่บาปหรือไปรับบุญแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะมาหลงหาราบยศเสริญสุดใหม่โดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งใครสอนพวกเราทุกคนเกิดมานี่ไม่มีใครสอนให้เราไปยินดีกับราบยศเสริญสุขทุกคนนี้ยินดีด้วยกันทั้งนั้นเ <c oughs> พราะมันเป็น ธรรมชาติของกิเลสที่มีฝังอยู่ในใจเราก็คือกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองชีวิตของพวกเราจึงมีแต่ความสุขสลับกับความสุขเล็ก ๆ, ๆน้อยๆในเวลาที่เราได้สิ่งที่เราอยากจะได้แต่เวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เรารับไปนี้ จิตใจของเราก็จะต้องทุกขทรมานใจอยู่มากและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตเพราะไม่มีอะไรที่เราจะรักมากกว่าร่างกายของเราเวลาที่ร่างกายของเราต้องแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ตัวยหรือตายไปเวลานั้นเราจะพบกับความทุกข์ทรมานใจอย่างที่สุด นี่เป็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะตัดความหลงที่จะพาให้เราไปยึดไปติดกับลาบยศสรรเสริญสุขไปยึดติดกับชีวิตร่างกายของพวกเราไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุข และชีวิตร่างกายนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขไม่ควรที่จะไปยินดีไม่ควรที่จะไปยึดไปติดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ยึดไม่ติดเหมือนกับคนอื่นหรือเงินทองของคนอื่นจะมีมากมีน้อยเราไม่เดือดร้อนตำแหน่งของคนอื่น เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนี้เราไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับเงินทองของคนอื่นหรือตำแหน่งของคนอื่นนั่นเองจันใดถ้าเราไม่ยึดติดกับลาบยศรรเสริมสุขของเราคือถ้ามีก็รับรู้ว่ามีแต่ความที่จะให้มันหมดไปความที่จะจากมันไปถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้เราจะไม่ทุกข์กับอะไร เราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียเข้ากล่องเงินทองต่างๆไม่สูญเสียไม่ทุกข์กับการสูญเสียกลองตําแหน่งต่างๆไม่วุ่นวายกับการตาหนิขลาหานินทาต่างๆไม่วุ่นวายไม่เศร้าส้อยหงอยเหงาถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราที่เราชอบ ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆวันไหนสังเกตดูถ้าเราไม่มีความอยากจะออกจากบ้านเราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขแต่วันไหนถ้าเราอยากจะออกจากบ้านแล้วเราไม่ได้ออกนี่เราจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจว้าเหว่ใจความญหงุดหงิดลำคาญใจนี้ไม่ได้เกิดจากรูปสียงกลิ่นรสแต่เกิดจากความอยากที่มีในใจของเรา ที่ไปอยากกับเขานั่นเองวันไหนที่เราไม่มีความอยากที่จะออกไปข้างนอกเราก็จะอยู่บ้านอย่างมีความสุข ด, ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนพวกเราให้ละความอยากต่างๆอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากได้ลาบยศสรเสริญสุขให้มีความอยากในการทําบุญให้ทาง อยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากนั่อยากฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะความอยากแบบนี้จะทำให้ความทุกข์ภายในใจของเราน้อยลงไปส่วนความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศรสรสุขนี้จะเพิ่มความทุกข์ภายในใจของเราให้มีมากขึ้นไปตามลำดับและจะทำให้พบชาติของเรานี้ มีไม่มีวันซึ่งสุดจะมีต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้ชาตินี้เราเป็นอย่างไรเดี๋ยวชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็อยู่ฐานะของเราจะดีขึ้นรวดเร็วลงก็อยู่ที่บุญและบาปที่เราทําไว้ในชาตินี้ถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าทําบาปชาติหน้ากลับมาฐานะต่างๆของเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิม รูปร่างหน้าตาสวยขึ้นกว่าเดิมทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองมีมากขึ้นกว่าเดิมอายุมีอายุยืนยาวนานกว่าเดิมมีสติปัญญาฉลาดแหลมคมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเรากลับมาชาติหน้าเราก็จะแยกกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาจะจะเร็วกว่าเดิมฐานะการเงินทางทองก็จะเร็วกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเร็วกว่าไปหมดเพราะเป็นอนิสงส์เป็นผลของการทำบาปของเรานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจของเราให้บริสุทธิ์เพราะการทำบุญก็อย่างที่บอกจะทำให้เราถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีกนั้นเราก็จะได้กลับมาเกิด ในภพชาติที่ดีกว่าเดิมถ้าเราทําบาปเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะเกิดต่ํากว่าเดิมแล้วถ้าเราสามารถชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเหตุที่ทําให้เรากลับมาเกิดนี้ก็คือความอยากนี้นั่นเอง ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากในราบรสสารเสริญสุขหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ลำบากความอยากหล่านี้จะทำให้เราจะต้องดิ้นรนไม่อยู่นิ่งถ้าจิตของเรายังมีการดิ้นรนอยู่ก็ต้องมีภพมีชาติอยู่ เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วแน่นิ่งนอนนิ่งอยู่แล้วแต่ใจไม่นิ่งเพราะใจมีความความกลัวความตายความกลัวความเจ็บไอ้ความกลัวตัวนี้มันก็จะพาให้ใจต้องดิน่นดิ่นหนีความแก่ดิ่นหนีความเจ็บดิ่นหนีความตายก็เลยต้องออกไปจากร่างแล้วก็ไปหาร่างใหม่ แต่ถ้าใจเรานิ่งไม่มีความกลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความอยากได้ราบรลดเสริงสุดใจของเราก็จะไปพระนิพพานจะอยู่ที่พระนิพพานคือเป็นพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายขณะที่เราสามารถตัดความอยากทางสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ใจของเราก็เป็นพระนิพพานถึงพระนิพพานแล้วทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่นพระพุทธเจ้าพระไถยของพระพุทธเจ้านี้ส่งถึงพระนิพพานในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่ประทบอยู่ใต้ต้นโพนั่นแหะคือพระไถยของพระองค์นี้ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้ตัดสั้เห็นเห็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายแล้วว่า อยู่ที่ภาวะตัณหากรรมตัณหาและวิภวะตัณหาคือความอยากในการในรูปเสียงกลิน่นนสดความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากมีอยากเป็นต่างๆและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างๆพระองค์จึงใช้พลังของสมาธิและปัญญาตัดความอยากทั้งสามส่วนนี้ให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์ ได้หมดสิ้นพระทัยของพระองค์จึงหยุดนิ่งตั้งแต่บัดนั้นไม่มีการดิ้นรนแสะแหวงหาหรือดิ้นหนีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะสัมผัสกับอะไรก็จะไม่มีการดินยินดีหรือยินร้ายเหมือนกับจิตของพวกเราที่ยังไม่ได้รับการชำระความอยากต่างๆเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบเราก็จะดิ้นเข้าหา เวลาที่เราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะดินหนีเช่นเวลาเราเจอความสุขนี้เราก็พยายามกอดความสุขไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุดพอเจอความทุกข์ก็พยายามจะดิ้นหนีอย่างรวดเร็วไม่เชื่อลองลองนั่งสมาธิดูเวลาเกิดอาการเจ็บตรงนั่นเจ็บตรงนี้จิตจะเริ่มดิ้นละจะอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขละจะต้อง หาวิธีหนีจากความเจ็บของร่างกายนั้นเช่นขยับร่างกายเปลี่ยนอเอเรียาบดหรือไม่ฉชนั้นก็จะลุกขึ้นเลยนี่เป็นเพราะอานาจของความอยากที่ยังมีอยู่ภายในใจแต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะดิ้นหนีสิ่งต่างๆแล้วต่อให้ร่างกายเจ็บปวดขนาดไหนจิตก็ยังจะนิ่งอยู่เป็นปกติ เหมือนกับเวลาที่ร่างกายไม่เจ็บเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เวลาท่านตายจึงตายได้อย่างสบายไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหนก็ตาจะตายด้วยอุบัติเหตุจะตายด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายด้วยการถูกทําร้ายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือความเจ็บของร่างกายที่พระองค์ ที่ท่านทั้งหลายได้สัมผัสมาแล้วและสอบผ่านมาแล้วคือไม่มีอาการาตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่อย่างใด ร, รับรู้ตามความจริงเหมือนกับเราดูภา พ, พยนตร์ร่างกายกับใจนี้เป็นเหมือนสองส่วนด้วยกันใจเป็นเหมือนคนดูส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนภา พ, พยนตร์ ถ้าคนดูฉลาดก็ไม่มีอาการตื่นเต้นกับภาพที่เห็นบนจอแต่ถ้าคนดูไม่ฉลาดเวลาเห็นภาพที่อยู่บนจอก็จะเกิดอารมณ์ตามภาพนั้นไปเวลาเกิดภาพน่ากลัวก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเวลาเกิดภาพสวยงามก็เกิดความชื่นชมยินดีไปกับภาพนั้นนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้เคยศึกษา ไม่ได้รู้ว่าภาพต่างๆกับผู้ดูนั้นเป็นคนละส่วนกันคิดว่าเป็นส่วนเดียวกันคือคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นตามไปด้วยร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วยร่างกายสุขใจก็สุขไปด้วยแต่หารู้ไหมว่าความจริง ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยใจก็เป็นใจเป็นเหมือนคนดูหนังส่วนร่างกายก็เป็นเหมือนคนแสดงหนังเท่านั้นเองนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านรู้จงเรียกว่าตัดสรู้ท่านรู้ว่าท่านเป็นเพียงคนดูส่วนสิ่งต่างๆที่ท่านได้สัมผัสนั้นเป็นเหมือนภาพยอ์ ลายศเสริญสุขต่างๆที่เราได้สัมผัสกันนี้เงินทองบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรทดาปุญาตายายบิดามารดาสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหล่านี้เหมือนเป็นภาพภพยนต์เหมือนเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพภพยนตร์ไม่ได้เป็นของจริงคนดูนั้นคือใจเพียงแต่ดูเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ขอสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่าน mm ี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเขาอยู่เขาก็อยู่แต่เวลาเขาไปก็ไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาไปเขาก็ไปตามตามเรื่องของเขาตามวิถีทางของเขาร่างกายเขาก็ต้องไปตามวิถีทางของความแก่ความเจ็บความตายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเขาก็ต้องไปตามวิถีของกฎของความไม่เที่ยง คือมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเรามองเห็นความจริงเหล่านี้เราก็จะดูสิ่งเหล่านี้เหมือนเราดูภาพยนตร์แต่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะไปคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะเกิดความหวงแหงเกิดความผูกพัน แล้วเมื่อเวลาสิ่งเหล่านี้ต้องจากเราไปเราก็จะเกิดความเศร้าโกศกเสียใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราพวกที่มีจิตศรัทธาน้นอมนำออกไปปฏิบัติทำบุญละบาปแล้วก็ปฏิบัติทำชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดไปได้ก็จะไม่ต้องทุกข์กับการเสื่อมของสิ่งต่างๆอะไรจะมาอะไรจะไปก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้รับถ้าเรามีศรัทธาและปฏิบัติอย่างขมักขมิ่นอย่างเอาจริงเอาจังอย่าปฏิบัติแบบขอไปที หรือปฏิบัติพอพอเป็นพิธีเขาให้เราปฏิบัติเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราไม่รับประทานแตบพอเป็นพิธีเรารับประทานอย่างจริงจังเรารับประทานเพื่อให้อิ่มท้องฉันใดการปฏิบัติของเราก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารเป็นการให้อาหารกับใจของเรา ถ้าเราปฏิบัติอย่างเต็มที่ใจของเราก็จะเกิดความอิ่มอย่างเต็มที่ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมดแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์กับอันใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศ เ, เสริญสุขหรือบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะรู้ทันว่า ไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องจากกันและเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราไม่ให้ไปว้าหุ่นขุ่นมัวไม่ให้ไปวุ่นวายไม่ให้ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆได้เนื่องจากเราได้ปฏิบัติทำฝึกสอนอบรมใจของเราให้ปล่อยวางอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของพวกเราพวกเราทุกคนนี้มีความสามารถที่จะทำได้ด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่และอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้ามีความขยันมากมีมีบุญเก่ามามากก็จะทําได้เร็วถ้า ขยันน้อยมีบุญเก่าน้อยก็จะทำได้ช้าแต่ก็จะทำได้ด้วยกันทุกคนเพราะเป็นเหมือนกับบัวสามเหล่าที่มีโอกาสที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาและบานต่อไปได้พวกเราไม่ใช่เป็นบัวเหล่าที่สี่ที่อยู่ในโคลนในตมที่จะต้องกลายเป็นอาหาร <c oughs> ของปูของปลาไปพวกนี้เขาไม่เข้าวัดกัน พวกนี้เขาไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงว่าเป็นผู้ที่ตัดสรู้เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพวกนี้เขาจะยึดติดกับลาภยศสาร ส, สุขเป็นศาสนาของเขาเป็นที่พึ่งของเขาเขาก็จึงต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหมดสิ้น แต่พวกเรานี้เราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อในมรรคผลนิพพานเราเชื่อในบุญในกุศลในนรกในสวรรค์เราจึงหมั่นมาทำบุญรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันขอให้เราทำไปเรื่อยๆและทำให้มากยิ่งขึ้นไปเถิดอย่าท้อแท้ในขณะที่เราปฏิบัติ ย่อมมีการเจริญบ้างมีการเสื่อมบ้างมีการเดินก้าวหน้าบ้างมีการถอยหลังบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของการเดินทางถ้าเราเดินทางเหนื่อยเราก็ต้องนั่งพักก่อนพอเรามีแรงแล้วเราก็เดินต่อไปเวลาเราปฏิบัติแล้วเราไม่เจริญก้าวหน้าเราก็พักสักหน่อยก็ได้พอมีกำลังแล้วเราก็ค่อยกลับมาทำต่อไปแต่อย่าเลิกก็แล้วกัน ถ้าเลิกแล้วเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้นี่คือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อเราก็จะสามารถพาชีวิตของเราให้ไปสู่จุดของความสุขเต็มที่ความสุขที่สูงสุดได้ความลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิน อ, อย่างนี้ไปต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างคุสมเพื่อตัดพบตัดชาติตัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้น้อยลงไปและหมดไปนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติ